ท่านระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะข้อสุภกรรมฐานเ <c oughs> มื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิชิตมานบรมศาสสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิฎิมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมลกยูเช่นนี้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจินดสีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมวื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงลักษณะข้อสุภกรรมฐานสิบอย่างคือสุภกรรมฐานนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมาหาใน มีสุติมรักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคส า, าจารย์ท่านรุจนาไว้สําหรับพระพุทธโคส า, าจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านร่ายเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้ก็ว่าสุปจะมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งโอทุมาอสุปโอทุมาตะกะอสุปคือร่างกายของคน คนก็ดีใส่ ก, ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นว่าตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้ล่ลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่นนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอสุกเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวขละและคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั่นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็เปิคลุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวิณีละกะแปล ว, ว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลุมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไปสามมีปุปกาะสุบเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลมากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่อการพิจรารณาถ้าอย่าบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของรสร้างศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจะได้ทรงแนะนำํำว่าเวลายืนนะ่าจะยืนใต้ลมมันเหม็นจัดนั่นก็อย่ายืนเหนือลมจะเกินไปยืนข้องขวางหน่อยหน่อยนะ่ะดีนิดนิดถยืนเหนือลมเกินไปบางทีไอกลิ่นเหม็นมันหวุกลับมันได้เหมือนกันเอายืนข้องขวางนิดนิดหนึ่งชิ้เชียงสักหน่อยหนึ่ง ที่สามที่เรียกว่าวิปุภะกะสสุพเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไหบร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสอนในสมัยที่นางสิริมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วิจัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินตะวิจิตตะกะศพคือเศร้าศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในท้ำกลางพูดง่ายๆก็หมา ย, ายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหรือไม่สว ย, may, สวยห้า วิขาดยตกาสุปร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งก่นกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่านี่หกวิหิตกาสุป เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไวจ้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหะตะกะหะตะวิกกะขิตะกะอสุบยากจัง คือสร้างศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่8ปดลูหิธกะอาสุปคือสร้างศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติ 9. ปุรุวะกะอาสุปคือสร้างศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักตัวหนอนคลักสิบธิกะอาสุป คือสร้างศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราแล้วก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันถ้าคราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการจรเิณสุภกรรมฐานี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยาขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายอย่าคิดว่าผมเป็นพระศ า, ศาสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นเป็นชาญสีได้มันทำได้คขรับเขาทำกันอย่างนี้คืนหนึ่งการพิจารณาสุพตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันแทรกศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จะภาพประสบ ข, ขึ้นมาแทนที่จะพิจารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกลังเพื่ออธิอธิก า, าสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าศบนี้มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติประการฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างน้มงพ่อพลิงวัดมาเกอก ท่านทำอสุภ ก, กรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกงาศิลหมดได้เป็นชานสีหมดแล้วก็สามารถเทระมิตรรูปอสุภขมารูปขลาได้ร่อมามาปรากฏชัดได้นี่แท้เก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆถ้ายะทำเป็นชายก็ตั้งกระดดกขึ้นและตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพ แทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกดภวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอยังกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิกลังยังข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปุรุวะกัปุรุวะกังอธิกลังปฏิกลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คําภาวนาแทนจิตก็จะส่งตัว เมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทําอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุก a h a n ิ m i t เป็นต้นเบื้องต้นเดียเข้าถึงบัตมิชานอุก a h a นิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระชาน พอจิตเข้าถึงอุกขะนิมิตแล้วแต่นี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรึ่งกลายสภาพแทนที่เป็นส่าสบสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นเกลียพลิกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่าไ ด, าได้เล็กได้ ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทากะสินถ้าต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมหายใจเ ข, เข้าออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมคกอุมเบคาลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่ นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าทิ้งฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็พิจารณาในอสุปกรรมฐานแต่ไรจุดตามที่เราต้องการแล้ตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้น เมื่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บแล ม, มันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอาสุปสัญญาก็เกิดคําว่าอาสุปสัญญาเกิดก็หมายความไม่เกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสุกปรกไปหมดไม่เฉพาะคน เห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกรปรกหนักมากเท่านั้นเพราะแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกรปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกรปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขาหนักเพราะดัมน่ายของกามกิเลสการมกิเลสหรือว่ากิเลสศรัคนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสศรัทหนักจัด ให้่การการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการให้เขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคล้ายในกามเป็นอารมณ์แล้วชาวเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคล่ใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราะใจมันพอใจในความสปกปรกเพราะร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสปกปรก แต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สุขระกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสุปรกอย่างเดียวล้วก็เห็นใจเขาสุปรกด้วยเมื่อเห็นกายสุปรกและเห็นใจสุปรกความสุอิสเอียนนิพิทายานมันก็เกิด <c oughs> <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโ ง, จง่จริงๆ ไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ใน ไ, ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษแล้วประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เปรีนญจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกรังมันไม่มีการทรงตัวอน้าตามีการสลายตัวไปในที่สุด สิ่งที่สกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลยมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มัอขอนสกรปรกเห็นว่าเป็นขอนสะอาดในรูปในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยง ไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแท่จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตราของเราเข้าถึงฌานสี่มีหลายท่านดยกันเย็นเลินอธิกังปฏิโกลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มตตาติดตายติดใจแบบนี้ พิจารณาว่าพิจารณาคนอึดอึดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นก็นแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียดนิพพ ย, ยายนแปลวความเบื่อน่ายมันรังเกียจ ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชานสี่แล้วไม่เป็นขอ ง, ง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครๆก็อยากหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทำกันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้ ถ้าสอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคำสอนแล้วก็ามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆ ก, ก็หาเป็นคนทะลึง่งไม่่าสนหรอกหีพอของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผม เมื่ออาารสอนแบบนี้ตำราเขียนไม่แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานทสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิ ว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราหน้าโคจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌ า, านมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วิจารชานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกระสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงชานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของชานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นชานเป็นหลงชานเว่าไห่ยังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิ ให้อยากจะหลงก็เชิญหลงไปเขไม่ได้สอนให้หลงเพรดะโดวยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตบาหารได้ง่าย ความจริงกําลังเขาระโซนดาตสิกิทาคานี่เราใช้กันแท่แค่ชานหนึ่งและชานสองก็ได้ถ้าจะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นชานสี่ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสําคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิบาสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเราเจริญในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทําไม เมื่อจับไปเอาสุปสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมะสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสียเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจิงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกลา้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะใสในการในขณะที่เราสร้างความดีคนที่จะพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่เนีนเพราะัถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปกรรมฐาน พิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารสอนคราวที่นางชิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าหนึ่งเท่านั้นเองท่านก็ไปอัหลันกันได้และก็ไม่เป็นอันหลันองค์เดียวแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดี ที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริ ม, มาเป็นคู่ครองนะ่ะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น <C oughs> เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเพณีคําว่าโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเพณีแปลว่ามีสามีไม่จํากัดอย่างนี้ดีไหมดีแล้วไม่ดีก็ช่าง ถ้อยคาของผมท่านจงอย่าจำไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่า ย, ายๆเฉยๆแต่เท่าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพนาครให้งามเรยว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทําเมืองให้งามนั่นเอง ตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนที่มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครเขาจะอยากเอาไปเป็นพันยาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับพระองค์นั้นท่านตั้งอจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริ ง, รงๆอืแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงศรีมาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียด น, น่ากลัวไม่น่าประคัประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้จะมองท่าก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่ ร, รักมีความปรารถนาตามันโตเวลามองกัน <c oughs> แต่ว่าโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นแค่ต้องตาเล็ก พอมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไตรีิฎกแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจําจําไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจรารณาไปองค์สมเด็จไปจอมใจก็บอกว่านอกจากเน่าแล้วร่างกายมันไปอนิจจังนะเป่งของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันเจหลายตัวไปนในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหยั่อย่าสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นถ้อยคําที่อมสมเด็จพระบรมสุคต์สอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพียงเท่านี้ท่านได้ก่อได้สมเด็จอนาตผลอาสุเกรกมาฐานไม่ใช่ทําให้เป็นแค่พระอนาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมมโนกรนาดไว้เราก็ได้เห็นนั่นเหมือนกัน สำหรับวันนี้พันบัรดาพโยคาวาจรทุกท่านดูเหมือนว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเพราของมากถ้าฟังไม่ทันไหนก็ย้อนไปย้อนมา ก, กนแล้วกันพัดเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงบรรพ้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตาณนาทุกท่านสวัสดี